ทำสังฆทานให้ไปเกิดเป็นนักบินได้ไหมถามผมไม่ใช่คนฉลาดจัดแต่อยากเป็นนักบินมากสอบแล้วไม่ผ่านตั้งแต่รอบแรกถ้าสมมุติว่าผมทําสังฆทานและอธิษฐานขอให้ชาติหน้าได้เป็นนักบินอย่างเนี้ยจะสำเร็จตามความตั้งใจไหมครับ บเท่าที่ทราบการเป็นนักบินต้องการคุณสมบัติหลายประการทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจปฏิภาณในการแก้ปัญหาแบบสับพลันทันด่วนการควบคุมอารมณ์ในสภาวะการกดดันหนักหน่วงตลอดจนความสามารถแยกประสาทการทำงานของสมองและมือไม้ได้ดีความฉลาดอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้สอบผ่าน กล่าวโดยสรุปคือคุณต้องมีสติเกินระดับเฉลียนนิดหนึ่งก็ถึงจะไว้ใจให้เป็นนักบินหรือมนุษย์อวกาศคราวนี้มามองในแง่การทำบุญสังฆทานหวังคนไปถึงอนาคตชาติเบื้องหน้าผมมีความจริงสองประการให้คุณพิจารณา 1. สังฆทานเป็นของใหญ่ หากทำซ้ำๆด้วยใจศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์แห่งของถวายและด้วยโอกาสได้ทำกับราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราตบท้ายด้วยกันอธิษฐานหวังผลแบบเดิมๆไปทั้งชีวิตก็เป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดผลตามปรารถนาคล้ายคุณเพาะกล้ามให้ใหญ่บ่มกำลังให้มากคุณย่อมสามารถตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรก็ได้ ไม่ว่าจะเอากําลังนั้นไปไล่รังแกคนเอาไปเล่นมวยปล้ำเอาไว้สมัครรอปภหรือเอาไว้อวดสาวเฉยๆฉย 2. การตั้งความหวังให้เกิดผลในชาติหน้านั้นหมายความว่าตัวคุณเดี๋ยวนี้จะไม่ทันได้ประจักษ์กับตนเองว่าคนของสังฆทานเป็นของจริงไหม ทำให้คุณเป็นนักบินได้จริงไหมนอกจากการปลงใจเชื่อและปล่อยให้เป็นเรื่องของอีกตัวตนหนึ่งที่จะรู้ผลเอาโดย ต, ตัวตนข้างหน้าจะไม่ทราบต้นสายปลายเหตุใดๆเลยว่าเหตุใดจึงชอบใจอยากเป็นนักบินตั้งแต่เด็กๆและเมื่อโตขึ้นก็มีสติดีเกินระดับเฉลี่ยสอบผ่านฉลุยแถมอาจเป็นนักบิน ได้รับความไว้วางใจโดดเด่นเหนือนักบินอื่นๆ อ, อ, อีกต่างหากสรุปว่ากลนของการวิบากข้ามภพข้ามชาติมีอยู่อย่างนี้การทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งและอธิษฐานซ้ำๆนั้นโอกาสเกิดผลจริงในชาติถัดไปจะสูงมากแถมอาจเป็นผลที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการทํานองเดียวกับที่เราใช้มเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียว แต่ขอเพียงให้ตรงกับพึกพันธ์ที่ปรารถนาภายในสิบปีร้อยปีก็อาจตั้งลำเป็นไม้ใหญ่มะฮุมมาสูงเงื้อมจนต้องแงนคอตั้งบ่ากันถ้ามองเป็นธุรกิจบุญการยอมลงทุนในชีวิตนี้แล้วค่อยไปเก็บเกี่ยวผลกินในชีวิตหน้าต้องอาศัยกำลังใจไม่ใช่น้อย คุณต้องใจเย็นพอและรอได้ผิดมนุษย์มนาเพราะในวงการลงทุนจะไม่ค่อยมีใครรอผลกำไรเกินหปีหรือที่นับว่าใจเย็นเกินมนุษย์สุดๆก็ต้องไม่เกิน20ปิปีแต่เนี่ยยอมรอกันถึงชาติหน้าตายแล้วลืมแล้วถึงไปรับผลแห่งการลงทุนในภายหลังถ้าใครทำก็ต้องมีอะไรเกินเกินอยู่ไม่มากก็น้อย เช่นมีศรัทธาแรงกล้าในชาติภพแล้วก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสูงมีอัตตาใหญ่โตเอาการในที่ที่การผลผลตามปรารถนาพุทธศาสนาเราสอนไว้สองชั้นคำสอนชั้นแรกชี้ให้เห็นตามจริงว่าบุญบาปมีผลของบุญบาปมี และนั่นก็หมายความว่าการทำบุญตั้งความปรารถนาสำหรับพบต่อไปย่อมมีได้หากใครสมัครใจพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรกับทั้งแนะนำอย่างดีด้วยว่าทำอย่างไรจึงสมใจเช่นสามีพัญญาคู่หนึ่งถามพระองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้พบและครองคู่กันอีกในปรโลก พระองค์ก็ตรัสเหตุปัจจัยที่ถูกต้องคือต้องมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาให้เสมอกันถ้าคุณสมบัติ ส, สี่ประการนี้สมกันแล้วก็ยอมอยู่ครองกันได้ตลอดรอดฝังทั้งในชีวิตนี้และจะได้ไปพบกันอีกในการข้างหน้าคำสอนชั้นที่สองพุทธศาสนาที่ให้เห็นตามจริง ว่าพบชาติเป็นของไม่เที่ยงมีความไม่แน่นอนต้องเหนื่อยยากทาบุญกุศลให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจึงจะได้เป็นสุขไปเรื่อยๆแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วขึ้นต้นหมาทุกคนไม่รู้อินโนอินเนมีสิทธิพลาดพลังทําบาปได้มากที่จะทำดีให้ตลอดรอดฝังย่อมยากนักการไม่พบนรกเลยจึงไม่ใช่วิสัย ฉะนั้นจึงควรพิจารณาพบชาติโดยความเป็นของน้อยไม่น่าเอาไม่น่ายึดมัน่นการทำบุญอธิษฐานหวังผลให้คุ้มค่าที่สุดจึงไม่ใช่เพื่อไปเกิดเป็นอะไรแต่เพื่อให้มีสิทธิ์ได้เลิกไปเกิดเป็นอะไรอะไรทั้งหมดมากกว่าเพื่อมีสิทธิ์เลิกเกิดเป็นอะไรอะไรทั้งหมด คุณต้องมีสติยิ่งกว่านักบินเพราะนักบินแค่มีสติขณะทำหน้าที่ขับเคลื่อนอากาศยานก็ถือว่าใช้ได้แต่เพื่อเลิกเป็นอะไรอะไรคุณต้องมีสติเห็นความเกิดดับภายในขอบเขตกายใจนี้อยู่เรื่อยๆกระทั่งจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและอุปาทานทั้งปวงได้สำเร็จ ชาตินี้อยากสนุกต่อชาติหน้าอยากสนุกอีกอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่หากรักจะอธิฐานแล้วผมขอแนะนําให้อธิฐานแบบพูดไว้จะดีกว่านั่นคืออ้างความจริงเป็นตัวตั้งว่าบุญที่ทำแล้วนี้ทั้งการให้ทานและรักษาศีลล้วนเป็นไปเพื่อสละความตรณีสละความโลภและความโกรธ แล้วจากนั้นให้ตั้งจิตปรารถนาว่าขอบุญนี้จงเป็นกําลังทั้งสำหรับชาตินี้และชาติหน้าให้ข้าพเจ้าได้สละความหลงผิดสละความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดโดยง่ายเพื่อความเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างถูกต้องด้วยเทินถ้าอาธิษฐานอย่างนี้นะครับ ถือว่าเมารวบเลยคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้จากการทำบุญในขอบเขตพุทธศาสนาด้วยกับทั้งมีสิทธิสมใจได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามต้องการทุกครั้งที่เกิดใหม่นั่นเพราะถ้าไม่มีโมหะหรือความหลงปกคลุมจิตเสอย่างเดียวสติและปัญญาย่อมเอกอุพอเพียงที่จะมีความสามารถทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ ญาตจะมีอุปสรรคใดขัดขวางสติปัญญาของคุณไหว